เพ่งพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปข้างนอกมันมีภัยอันตรายการสำรวมใจอยู่ภายในมันปลอดภัยดี พระพุทธเจ้านำอดีตนิทานนกกระต่อยตีวิตมาแสดงให้สิสุสามัญเนอุบาสกบาสิกาทั้งหลายฟังในคร้งก่อนนู้นมีนกกระต่อยตีวิตตัวหนึ่งหากินไปตามท้องทุ่งนา โดยที่บิดาสั่งไว้ก่อนตายมันดาสั่งไว้ว่าลูกเอ๋ยลูกจะไปหากินห่างไกลจากก้อนขี้ไถนะมันมีภัยอันตรายเนื้อพ่อแม่ก็ตายไปและนี่นกกระต่อยชีวิต ตัวนั่นมันมันลืมคำสั่งของบิ ด, ดามารดาเสียเลยไปหากินนอกก่อนขีไถมีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินโฉบลงมาจับเอาไฟอยู่ในกรงเล็บของเหยี่ยวตัวนั้นนกกระตอายตีวิตก็บน ที่ไร่ลำพันธ์ต่างๆนานาว่าไอเรานะมวัวเมาประมาทไม่ทําตามคําสั่งของบิดาชีวิตของเรานี่ก็จะมุ่ยมอนครั้งนี้แล้วเยาได้ฟังอย่างนั้นก็ถามว่าทำไมยังบนอย่างนี้ที่บนอย่างนี้ก็เพราะนึกถึงคําสั่งของพ่อแม่ ให้หากินอยู่ในระหว่างก้อนขี้ไถอย่าหากินนอกจากนั้นตัวเองก็ไม่ฟังขืนประมาทถึงได้เป็นอย่างนี้เหี้ยถึงว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นนะเราจะปล่อยเธอไปให้เธอไปหากินตามก้อนขี้ไถนะเราจะ ลงไปจับเธอให้ได้ลองดูซิว่าเธอจะเก่งขนาดไหนแล้วเดี๋ยวก็เอานกกระต่ายติวิตนั้นไปปล่อยลงที่กรนขี้ไถกลางทุ่งนาแล้วก็บินวนขึ้นฟ้าไปนกกระต่ายติวิทนั้นก็ไปเห็น ก้อนขี้ไถก้อนหนึ่งมันมีมันมีเงื่อนอยู่ทางใต้มันจึงไปยืนท้าเหวียวอยู่บนก้อนขี้ไถนั้นพอเหวียวได้โอกาสก็บินโฉบลงมานกกระต่อยชีวิตมันก็วิ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในเงื่อนก้อนขี้ไถ่นั้น เ ย, ยวโชบลงมาอย่างแรงก็เอา อ, อกไปกระแทกกับก้อนขีไท่เลยถึงแก่ความตายนกกระต่อยชีวิตก็เลยพ้นจากความตายไปได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรานั่นนะถ้าหากว่าไปล่วงละเมิดในคำสอนของบิ ด, ดามารดา ครูบาอาจารย์หรือว่าพระพุทธ เ, ทเจ้าพระธรรมประสง์แล้วชีวิตของผู้นั้นย่อมมีแต่ความทุกข์ยากลำบากจะไม่สามารถเจริญ ง, งอกงามไปได้เหมือนกับนกกระต่อยชีวิตตัวนั้นมันร่วงทำบิดามารดาแต่อาศัยมันมีสติปัญญา มันก็เลยเอาตัวรอดจากปากหิวปากกาไปได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเราเกิดมาในโลกนี้มันก็มีความประมาทและเป็นวนหลายเนี่ยที่เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจ รักษาความดีของตนไว้ตลอดไปไม่ทำความชั่วเลยนะเห็นจะยากมันจะไม่มีแต่บางคนเมื่อรู้ว่าตนประมาทแล้วก็กลับจิตอธิษฐานจิตใจไม่ประมาทต่อไปสำรวมระวังตนต่อไปเช่นนี้มันก็สามารถพ้นจากมาร คธอกีรลสปากทมต่ า, างๆได้เหมือนกับนกกระต่อยตีวิทต์ีมันพ้นจากปากเหียวไปได้อย่างนั้นเนี่ยมีพุทธวิสัชษทั้งหลายควรพากันพิจารณาให้ดีอันที่ว่าเงื่อมก้อนขีไถนั้นได้แก่สมาธินั้นเองเมื่อจิต น้มเข้าไปสู่ความสงบยับยั้งอยู่ในความสงบนั้นแล้วกิเลสมันก็ครอบงำไม่ได้ตามเข้าไปไม่ถึงเป็นเสียแต่ความสงบอันนั้นไม่หนักแน่นพอไม่แก่กล้าพอถูกกิเลสมันเขย่าเอาก็เลยถอนออกไปเสียพุ่งไปตามกิเลส แต่พอได้รู้ตัวอย่างนั้นก็ให้เข้าใจว่าสมาธิของตนมันอ่อนมันไม่แก่กล้าเหตุนั้นมันจึงได้วันไวไปตามอันักของกิเลสเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามทำสมาธิให้มันหนักแน่นเข้าไปกว่านั่นเ็นเมื่อใจมันสงบจากอารมณ์ต่างๆลงไปได้แนละ้ว ก็พยายามเพ่งใจนั่นนะเพ่งรู้อันนั้นแหละอยู่อย่างนั้นพออนุภาพแห่งความเพ่งเนี่ยมันทําให้ใจนั่นสงบลงได้ละเอียดเข้าไปทําให้ใจหนักแน่นเข้าไปอความเพ่งอันนี้นะทาให้มีอารมณ์ันเดียวท่านเรียกว่าเอกขตารม์ เออมีความสงบนั่นเป็นอารมณ์ของดวงจิตนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้ดีอย่าให้ใจมันพุ่งซ่านรำคาญไปทางอื่นโดยที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก นี่แหละเป็นอารมณ์ไปก่อนเพราะทางเดินของความคิดมันก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี้เองเมื่อจับลมหายใจเข้าออกได้แล้วความคิดมันก็หยุดลงเพราะว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสะจิตไม่ให้คิดส่านไปโดยประการต่างๆ เหมือนอย่างธรรมดาน้ำมันชอบไหลลงไปสู่ที่ตำ่ำอันนี้เป็นธรรมดาของน้ำซึ่งน้ำจะไหลขึ้นสู่ที่สูงไม่มีผู <c oughs> ้ดใดปรารถนาอยากจะใช้น้ำนั้นไปรดต้นไม้เพืชผักต่างๆ อย่างนี้ก็ต้องทำทํานกขึ้นที่คลองส่งน้ำบ่ที่เหมืองมาอย่างนี้เลยเมื่อทำทานกให้แน่นหนาแข็งแรงดีแล้วกระแสะน้ามันไหลมามาปะทะทานกทานกไม่พังน้ำมันก่อเออขึ้นไปตามท้องนาท้องสวน อีน่ไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวหรือต้นพืชผักต้นไม้ต่างๆให้งอกงามเจริญขึ้นไปได้มีชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะนี่พยายามกั้นกระแสของความคิดความนึกของจิตใจนี่นะให้มันได้ แต่วันนี้เมื่อใจมันไม่คิดพุ่งไปทางอื่นเช่นนี้เนี่ยมันก็ทำให้กระแสจิตมารวมกันอยู่ในจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็มีกำลังบะนี้มีปัญญาความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นความรู้นั้นสามารถ รู้แจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ได้ตามเป็นจริงเหมือนอย่างปัญญาในอุปมาเหมือนกระแสะน้ำเมื่อสติไปสกัดกั้นความคิดความนึกต่างๆได้แล้วหิตดหยุดนิ่งลงไปแต่ ว, วันนี้ก็ต่อจากนั้นก็ทรงกระแสะของตนเ่งไปตามอัตภาพร่างกายนี้ มันก็เห็นแจ้งในกายนี่ทุกกระเบียดนิ้วไปเลยลเร่างกายนี่มันอาศัยอะไรก็อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทําไมมันถึงมีความรู้สึกนึกคิดก็เพราะมันมีดวงจิจมาอาศัยอืแล้วดวงจิจนี้เมื่อมาอาศัยรูปกายอันนี้อยู่แล้วมันก็ทําให้ ความคิดความนึกต่างๆมันมีกำลังขึ้นสามารถคิดอ่านเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ได้แต่เมื่อไม่ได้ฝึกฝนให้จิตนี้ฉเฉลียวฉลาดขึ้นมามันก็คิดไปตามอำนาจของกิเลสอารมณ์ที่มันเคยคิดเคยปรุงแต่งมาอันประกอบไปด้วยกิเลสตัณหานั่นแหละ อุปมาเหมือนอย่างกระแสน้ำซึ่งไม่มีทํานกกัน้นมันก็ไหลไปตามที่ต่ำนั่นแหละในที่สุดมันกระไหลลงสู่ทะเลหลวงอันนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเรานี่เมื่อไม่ฝึกขนจิตอันนี้นไม่รู้จักหากข้ามจิตอันนี้ กระแสจิตมันก็ไหลไปตามอำนาจของกิเลสบาปธรรมนั่นแหละกิเลสบาปธรรมนี่อุปมาเหมือนอย่างที่ตำที่รุ่มที่ตำของแผ่นดินนั่นแหละมันไหลไปทํใชายกายวาจาทําความชั่วพูดชั่วไปและไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกาม กล่ามุสาวาต ด, ดื่มสุรามีไรเครื่องดองของเมากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดทีโทษต่งตางๆเหล่านี้ในทางธรรมะท่านเรียกว่าเป็นของตำ่ำเมื่อผู้ใดส่องเสพเข้าไปจนติดงงเงมแล้วชีวิตของนายก็ตกต่ำไปไม่สามารถที่จะ ลุ่งเรืองเจริญด้วยลาบยศสนเสริญความถูกกายสบายใจได้เพราะของเสพติดเหล่านี้มันทำให้ทุปัญญาทำให้ปัญญานั่นไม่งอกงามเจริญได้คนเสพของเสพติดถ้าเป็นเหล้าอย่างนี้เมื่อดื่มแล้วมันก็ทำให้ แสดงอาการกิริยากายวาจาหยาบโลนไปต่างๆนั่นนะไม่สุภาพเรียบร้อยเลยถ้าเป็นกัรชาอย่างนี้ก็สูบเข้าไปแล้วทำให้จิตวิปลิตไปทำให้ไม่มีสติปรรมะชนญะประคับประคองจิตนั่นได้จิตก็ละเมอไปตาม กำลังของกิเลสของความเมาความหลงอันนั้นนะแม้ยาฟิ่นก็เหมือนกันยาฟิ่นนี่บุคคลใดต้องเสพเข้าไปจนติดงอมแงมแล้วก็ถูกแล้วได้ที่แล้วเมาแล้วก็นอนแบบนี้ซึมไม่มีความคิดความอ่านอะไร เพราะฉะนั้นคนสูบผิ่นจึงไม่สามารถจะร่ํารวยอะไรได้เลยไม่สามารถจะหาเงินนาทองเข้าของอะไรได้อืก็อย่างหาได้ก็ได้เล็กเ็กเน้อยน้อยเพราะว่านั่นแหละพอได้เงินมาซื้อฝิ่นสูบแม้นับแต่สุรามามันตัดทอนกาลังปัญญาของคนลงอย่างมากมายของเสพติดเหล่านี้นะ เพราะฉะนั้นคนเกิดมาในโลกนี้คนที่จะมีปัญญาหาอุบายละกิเลสปาฏธรรมออกจากใจของตนเองได้นั้นมีน้อยเต็มทีนั่นแหละส่วนมากแล้วก็มีแต่ปล่อยจิตใจของตนให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเสียเป็นส่วนมาก ส่วนผู้มีปัญญานั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ชาติก่อนนู้นเขาก็ไม่ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาสินเฮโรอีนขาเว้นของเสพติดเหล่านี้คนที่ไม่มีปัญญาในชาตินี้เขาพอแต่ก่อนนู้นเป็นผู้ส่องเสพของมึนเมา ด้วยแล้วก็ทั้งไม่สนใจในการสะดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกแม้ว่าเกิดมาพบศาสนาของพระองค์หรือว่าพบตัวองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสคนต้องเสพของมึนเมาแล้วไม่รู้จักของดีพูดแล้วนะไม่รู้จักทำที่พึ่งให้แก่ตนเอง ดันั้นเมื่อผู้ใดรู้ว่าของเสพติดอันนี้มันให้โทษจริงๆด้วยปัญญาแล้วก็พึ่งพากันสำรวมระวังรักษากายวาจาใจให้ดีอย่าให้มันหลงละเมอไปหาของเสพติดให้โทษต่างๆดังกล่าวมานั้นแล้วชีวิตของผู้นั้นก็จ ะ, จะเจริญนุ่งเรือง ด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็จะเจริญด้วยสุขภาพอนามัยทางร่างกายร่างกายก็จะไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเอาของเต็บติดได้โทษต่างๆวันนี้มันมันเป็นสมุธฐานของเชื้อโรคหลายอย่างให้พึงพากันพิจารณาให้เห็น เมื่อพี่นาเห็นโทษของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็เว้นได้เลยไม่หิวไม่โหยอะไรหรอกคนที่เคยติดมาแล้วก็เมื่อใจมันออกแล้วมันออกได้จริงๆทุกอย่างนะมันสำคัญที่ใจมันไม่ยอมออกนี่แหละมันยังสำคัญเอาเป็นของดีวิเศษให้ความสุขสนุกสนานแก่ตนได้ แท้ที่จริงแล้วมันก็เหมือนยาทิศเคลือบน้ําตาลนั่นแหละของโมนีนะ่ะเวลาเราบริโภคเข้าไปทีแรกก็รู้สึกรู้สึ ก, กว่ามันล่าเริงบันเทิงจริงเละแต่คันเมื่อเอาเข้าไปมากๆเข้าไปแล้วมันก็มีตั้งแต่ความเชื่อมชืม้ไปอย่างนั้นจิตใจไม่เบิกบานผ่องใส มีแต่อัดอันตันปัญญานี่แหละให้พึ่งพากันเห็นพิษเสนภัยในของเสพติดเหล่านี้นะถ้าผู้ใดไม่เห็นโทษของมันไม่ละมันละก็ชีวิตของผู้นั้นก็ตกต่าไปเลยนะมีแต่ต่ำไปเรื่อยๆเลยคนส่องเสพของเสพติดใจโทษแล้วไม่ไม่เห็นโทษของมันไม่ยอมละ ดังนั้นผู้ใดรักชีวิตของตนจริงมันต้องระมัดระวังอย่าไปส่องเสพของเสพติดให้โทษถ้าได้ลุ่มหลงส่องเสบมันปิดมาแล้วก็พยายาพยายามออกจากมันเสียให้ได้ใจออกเสียอย่างเดียวแล้วมันออกได้เลย ถ้าใจไม่ยอมออกแล้วนะแม้จะ ก, กินยาอะไรมันก็ออกไม่ได้ขอออกได้แล้วมันก็กลับไปดื่มไปกินอีกอย่างนี้เนะี่ยจิตใจที่มันไม่รู้แจ้งนะในเหตุแห่งความทุกข์นั่นนั่นเนะ่ะมันก็ถลํมเข้าไปหาทุกข์เรื่อยไปดังนั้นการทำใจให้สงบระงับเนี่ย จึงชื่อว่าเป็นการแผวถางทางออกจากทุกข์ไปได้เป็นสายที่สองสายที่หนึ่งได้แก่สีนผู้รักษาสินให้บริสุทธิ์ก็เท่ากับบาปแผวถางบาปอากุศลอันเป็นเสมือนอย่างว่าหญ้าต่างๆที่เกิดอยู่ในสวนในนานั่นเอง เมื่อถากพางมันออกไปมันก็ไม่ได้ไปแย่งกินอาหารของต้นพืชต่างๆต้นไม้ที่มีผลมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้อันนี้ฉันใดคนเราก็ต้องมาพยายามความใจให้สงบลงไปนี่แหละเรียกพยายามการจัดกิเลสบาปธรรมให้เบาบางออกไป จากดวงจิตนี้เรื่อยๆไม่พยายามสะสมให้มันมากขึ้นพยายามละกิเลสที่มันมีอยู่แล้วนั่นให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ให้ได้ทุกคนควรพากันเห็นโทษของกิเลสตัณหาเราเนี่มันพาให้คนเป็นทุกข์ เดือดร้อนอุ่นวายอยู่ในวัาฏะสงสารนี่มันคันนานับไม่ถ้วนเลยในดังที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละต่างคนต่างก็งัวเมาเพลิดเพลินไปในกรร ม, มคุณเสียเป็นส่วนมากเลยอย่างน้แล้วไม่ได้เอื้อเฟือต่อการบุญการกุศล ไม่ได้อื้อเพื่อต่อการเข้าวัดฟังธรรมจำาิีนอะไรเลยอย่างนี้มันก็ทำให้ชีวิตนี่หาที่พึ่งไม่ได้เลยไอของเสพติดใช้โทษต่างๆวันนั้นมันจะเป็นที่พึ่งอะไรได้พอต้องเสพไปเวลามันออกคิดมันก็รู้สึกว่าลื่นเลื่องบันเทิงไป เวลามันหมดปลธิ์ของมันแล้วมันก็มีจะอ่อนเพลียหิวโหยขึ้นมาอีกแล้วแต่ต้องไปหาบริโภคการแสวงหาของเศติฐีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอายิบเอาได้ด้วยมือเปล่าต้องมีจะต้องตะ ต, งะตางติดตัวไปแลกเปลี่ยนเอากาะจากเขามาจึงจะได้บริโภค นี่แหละมันมีโทษมากมายโดยเฉพาะมันตัดทอนกำลังปัญญาตัดทอนกำลังสมาธิตัดทอนกำลังทีนให้อ่อนเปรียปร้ยเพียงลงไปอันบุคคลผู้ที่ติดของเสพติดเหล่านี้แล้วนะมันย่อมไม่มีปัญญาปัญญาไม่เจริญงอกงามเลย ไม่มีกำลังตัดภากำลังใจในอันที่จะรักษาศีลในการที่จะให้ทานหรือในการที่จะเจริญสมาถะวิปัตนาให้เกิดขึ้นในใจนี้ได้ไม่มีคนผู้ติดของเสพสิทธ้โทษต่างๆนวดังนั้นจึงคือว่าทำชีวิตให้เป็นมันเกิดมาทั้งทีมีอวัยวะร่างกาย ครบทวนบริบูรณ์แล้วก็สมควรที่จะใช้กายวาจาใจอันสมบูรณ์นี่ยรางสมบูรณ์กุศลคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนขอตนให้ได้อย่างนี้มันก็ทำไม่ได้ไม่ได้ทำเลยมีร่างกายอวนทวนสมบูรณ์มาก็สมบูรณ์เปล่าๆไม่ ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่จิตใจมีจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้เกิดความทุกข์ความร้อนใจอยู่อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาให้ดีการฝึกอบรมจิตนี่นะ่ถึงเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีไดีมากทีเดียวเพราะเมื่ออบรมจิตนี้ให้ดีแล้ว มันก็ดีไปหมดทุกอย่างเลยนคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ดีกันไม่แตกสามัคคีกันพระภิกษุสามเณรทีขาวอะไรอยู่ในวัดกระอารามเดียวกันก็รองรองสามัคคีกันได้ไม่ทะเลาะววาทแตกสามัคคีกันเพราะว่าใจมันดีก็คนใจดีแล้ว ถ้าหากว่าได้รับความกระทบกับทั่งจากเครื่องไม่ดีบางบางเบ า, าจากผู้อื่นก็ให้อภัยเพื่อนไปได้ไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นโดยความโกรธโดยความไม่พอใจต่างๆเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าอารมณ์เหล่านี้มันเป็นเครื่องทำลายความสงบใจเมื่อใจยึดถือเอาไว้แล้ว จะไปภาวนาตระหนัใจไปหาความสงบไม่ได้เลยมันไปเจอแต่เรื่องไม่พอใจอันนั้นแหละเพราะตนยึดถือเอาไว้นะมันถึงมีทีนี้ถ้ า, าว่าใครไม่ยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ดับไปแล้วมันจะไปตั้งอยู่ในจิตนั้นไม่ได้เลยนี่แหละให้พากันเข้าใจการที่เราฝึกใจไปใจมันจะดีได้ ก็เพราะีิเลสกางกมามมูลนี้มันระงับดับลงใจมันถึงก็เยือกเย็นสบายได้ไม่ก็พึ่ตจนเป็นคนเกเรต่างๆนา น, นานี่แหละอันนี้สงแห่งการฝึกผลใจให้สงบให้ตั้งมัน่นนับว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นของการเจริญ ปัญญามีปัญญาเท่านั้นแหละจึงเอาตัวรอดจากทุกข์ได้ถ้าไม่มีปัญญาแล้วเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้แล้วแม้ความยากจนขนแค้นในทัพสมบัติต่างๆในโลกนี้มันก็เนื่องมาแต่ไม่มีปัญญาหาเอานั่นเองเลยพวกเขามีปัญญาเขาก็าหาทรัพย์ได้อ แต่ว่าทรัพภายนอกมันไม่ยังยืนมันนำนวยความสะดวกสบายให้ชั่วชีวิตหนึ่งหรือชั่วคราวเท่านั้นเองคันแล้วร่างกายอันนี้เมื่อมันทุดโทมแตกดับไปแล้วความถูกเหล่านั้นมันก็หายไปรู้ทรัภายในไม่ได้ทรัภายในคือสัทธาปัญญา เมื่อบุคคลได้บำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วมีแต่ทาใจให้เบิกบานผ่องใสอยู่งั้นเพราะว่าปัญญานี่ยมันรู้นี่สิ่งใดมันจะเป็นเหตุได้เกิดทุกข์แล้วกับมันไม่สะสมแล้วในยึดถือเอาไว้มันก็ปล่อยวางน ะ, ะเป็นขันธ์ทางห้าอันนี้เขไปขืนยึดถือไว้กับจิตนี่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้ว เพราะมันไม่เที่ยงนี้นั่นไปยึดเอาของไม่เที่ยงมันก็วันไหวอยู่เรื่อยนะถ้าปล่อยถ้าวางเสียจแล้วเมื่อขันหน้านี่มันแปลปวนไปจิตใจก็ไม่แปลไปตามนั่นตั้งอยู่คงที่ไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกนี้นี้แหละเป็นทางคนทุกข์ภัยในรัตตสงสารดังแสดงมา